นั้นก็เริ่มถามคำถามกันมาเริ่มถ่ายแล้ว <c oughs> <c oughs> ฝันว่าได้หอทั้งคืนครับตนเจี๊ยบบานช้างค้าวผมเจอคน่อนครเขาดิ่งเลยเนี่ยนะกก้ตามพ่อของเจี๊ยบขอนในฝันนี่นะครับปังขึนเลยครับได้ยเสียงไหมจะได้อยู่ด้เสียงนะตอนมาได้ไเมนปังครับ้วไดเสียงมือนปังแค่ มีแต่ความเงียบกําลังโน้มใจไปเพื่อวิเวกอรอหรือจะเรียนธรรมะเรียนธรรมะ <c oughs> อลังดีกวะนะ่ามั้งลองเรื่องถามปัญหาเรียนธรรมะก็ต้องตั้งปัญหาเป็นประเด็นขึ้นมาจะเรียนได้ เมื่อวานตัวหาเยอะฟังอยู่ก็เมื่อวานฟังพี่มาซานก็เข้าใจเยอะขึ้นที่มองอ๋อพวกต้องสอนให้ละเอียดขนาดนั้นเลยหรอจริงๆเพราะว่าก็ไม่เข้าใจลึกขนาด มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเข้าไปถึงเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ถ้าไม่เห็นขนาดนั้นมันก็มันก็ละอะไรไม่ได้เห็นอารมณ์เห็นเป็นเพียงแค่อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ทำให้เกิดการรับรู้ถ้าไม่รับรู้มันก็ไม่ใช่อารมณ์แล้วก็สิ่งที่เป็นที่ตั้งของอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละแล้วก็ทำอารมณ์ มันใหญ่ใจงอแต่ทำอารมณ์ที่มันกระทบใจมันก็ได้เพราะว่าในทำอารมณ์ที่มันกระทบใจมันก็มาจากรูปเสียงกิริย์ลดนั่นเองที่เป็นทำอารมณ์มันไม่ได้มาจากอย่างอื่นเลยสังเกตว่าไ ม, ไม่ค่อยอยู่นิ่งสังเกตว่าอารมณ์ทั้งหมดที่มันเกิดกับใจได้ส่วนมากจะผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่า น, านกายแล้วถึงจะรวมรวมลวงไปถึงใจ ถ้ไม่ผ่านตาหูจะบกลิ้นไกลใจมันจะรับอะไรไม่มีอะไรรับบางคนบอกในเวลาที่เราไม่ได้เห็นอยู่ในที่วิเวกหรืออยู่ในที่ส่วนตัวตาเราไม่ไปมองเห็นนั่งหลับตายอย่างเงี้ยหูมไม่ไปได้ยินเสียงจมูกไม่ดมกลิ่นริมที่ต้นทำไมเรื่องเรายังเกิดกับใจได้ก็สังเกตว่าเรื่องเราที่เกิดกับใจก็เป็นเรื่องเราที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะ เป็นผ่านจากการเห็นจากการรับรู้รับทาบทั้งนั้นก็คือมาจากตาหูจมูกทิ้งกายถึงจะเป็นตัวธรรมอารมณ์เพราะฉะนั้นเขาว่าธรรมอารมณ์คือสิ่งที่มันรวบรวมอารมณ์ทางตาหูจมูกทิ้งกายใจไว้แล้วก็ส่งผลเข้าไปให้จิตมันรับสราบนั่นเราก็ธรรมอารมณ์เพราะฉะนั้นจะมองอารมณ์ภายในก็เท่ากับมองอารมณ์ภายนอกเพี่ยงแต่ว่าเราไม่ได้ทําความเข้าใจให้เข้าใจว่าแม้มองภายในก็คือมองภายนอกทั้งนั้น เราไม่เข้าใจอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็ก็เท่ากับว่าเราจะเราจะรับรู้ในสิ่งภายนอกก็คือการรับรู้ในสิ่งภายในจะรับรู้ในสิ่งภายในก็คือการรับรู้ในสิ่งภายนอกต้องมองให้มันเสมอกันอย่างนี้ถ้าเรามองเสมอกันได้จิตเราก็จะคงที่ทั้งอารมณ์ภายในภายนอกมันจะคงที่มันเขาเรียกว่าคงที่ในการรับรู้ เมื่อคงที่ในการรับรู้แล้งก็จะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับตรงเนี้ครับภายในทันไหมล่ะเกิดดับอ่ะทันอยู่าภายนอกล่ะสิ่งที่เห็นมองเห็นปั๊บนี่คือการเกิดเห็นไหมเกิดรูปอารมณ์ถ้าได้ยินเสียงว่าเป็นสัทธารมอารมณ์ทางเสียงทางหู ดมกลิ่นลิ้มรสก็เป็นอารมณ์ทางจมกูกทางลิ้นสัมผัสกายเป็นโภทะพารมณ์ใจเป็นยังไงเมื่อรับรู้อารมณ์อย่างเงี้ยทางตาหูจมูกลิ้นใจเป็นยังไงสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหยปรากฏทรงจําจําได้หรือจําไม่ได้คิดได้หรือคิดไม่ได้คิดต่อปรุงแต่งต่อหรือแค่รับรู้วิญญาณขัน ก็รับรู้ไปตามภาวะของการรู้รู้ตามอาการที่เกิ ด, ใ ช, ดใชม่มันจะติดต่อเนื่องมันต้องกำหนดรอบรู้อย่างเงี้ยการภาวนาแล้วก็ให้ติดต่อเนื่องกันสนมากภายในก็ไม่ค่อยทันเนาะภายนอกก็ไม่ค่อยทัน เมื่อไม่ทันแล้วมันเป็นยังไงก็ถูกแทรกด้วยอํานาจทางความไม่รู้ไม่ทันอะไรก็คือไม่รู้ในอันนั้นทันในอะไรก็รู้ในอันนั้นเมื่อรู้ในอันนั้นมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าเมื่อคือจะเกิดการละพราะความรู้จะเป็นไปเพื่อการละเมื่อละมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็จะหมดการละจะเป็นไปเพื่อบิมุติความหลุดพ้นพ้นจากความเห็นเห็นที่มันผิดที่เป็นการยึดมั่นถือมัน เป็นการพ้นในภายใน <c oughs> ทำจิตให้พ้นจากการครอบงาด้วยอำนาจของอวิชชาแม้สิ่งที่เห็นก็ไม่ครอบงาสิ่งที่ได้ยินก็ไม่ครอบงาสิ่งที่ดมกลิ่นก็ไม่ครอบงาสิ่งที่เราลิ้มรสก็ไม่ครอบงำอารมณ์เกิดกับใจก็ไม่ครอบงำใจเพราะเรามีความรู้อยู่รู้อารมณ์ตามที่มันเป็นที่มันเกิดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างเงี้ยครอบงาไม่ได้ อาการที่เราไม่ได้ถูกครอบงําด้วยความไม่รู้นี่มันก็จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งในเบื้องหน้าอารมณ์ไม่ได้ครอบงําใจเราหรอกแต่ความไม่รู้นี่มันครอบงําใจเราอารมณ์มันก็มาตามธรมรมรางมันเกิดแล้วก็ดับเกิดและก็ดับแต่การที่เราไม่รู้อารมณ์เกิดดับเนี่มันเลยถูกครอบงําเพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ใช่กิเลสะู้ทีเจ้าบอกว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มันไม่ใช่กิเลส มันมันก็เป็นแค่สิ่งที่ทําให้เราได้รับรู้รับทราบก็เรามีอายทนะเป็นเครื่องรับรู้รับทราบเมื่อเรามีอายทะนะเป็นเครื่องรับรู้รับทราบมันก็ต้องรับรู้รับท ร, บ ร, รบาบตามอายทนะปฏิเสธไม่ได้หรือไปกําหนดไหมในการยึดถือมันก็ไม่ได้ในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ดมกลิ่นริมรถตรงเนี้แล้วอารมณ์ก่เกิดในใจนั้น ล่วงไปแล้วกี่ปีเรื่องเราตอนเป็นเด็กยังบางทีมันยังผุดปรากฏขึ้นอยู่ใช่ไหมก็าทา ง, งที่ล่วงไปแล้วบางเรื่องหรือบุคคลบางคนที่เรามีมีความทรงจำไว้เขาเรียกว่าประทับใจไว้นานๆมันก็จะผุดปรากฏขึ้นมาภายในใจิตในใจได้อีกนี่คือเรื่องราวภายในใจมันก็คือการ เห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นสิ่งสัมผัสทั้งนั้นแต่ไม่ได้เห็นด้วยตามันไปไปปรากฏเป็นธรรมอารมณ์ภายในธรรมอารมณ์ภายในอันนี้แหละคือสิ่งที่อยู่ในใจเราตลอดตาเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นแล้วล็อกละละจากการเห็นได้ใช่ไหมล่ะก็หมดการเห็นในคราวนั้นก็คือมันก็สิ่งที่เห็นก็ดับไปหมดแหละแต่อารมณ์ที่เกิดกับใจนั้น แม้จะร่วงไปนานแค่ไหนก็ตามมันยังสามารถยกมาได้เป็นหลายๆครั้งใช่ไหมครับติดๆอยู่ในใจเราไปตลอดแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้ติดหรอกแต่มันยกขึ้นมาด้วยการ ด, ด้วยความเคยชินของมันโดยตามนาตัน้าที่ใช่ไหมสัญญาขันทําหน้าที่ในการจําจําแล้วก็ต้องยกอารมณ์ที่จำนั้นขึ้นมามันอยู่ที่ว่าเราเห็นสภาพแห่งการจํานั้นเกิดหรือดับหรือเปล่า ถ้าเราไม่เห็นสภาพแห่งการจำหรือสัญญาขาันเกิดดับเราก็จะติดอยู่กับเรื่องเราที่มันยกขึ้นมาว่าเป็นเรื่องเป็นเราอยู่ในจิตในใจของเราแล้วเข้าใจเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมายิาง่งไม่ใช่เเอานกิดนกิดดแล้้วมันนเเกกกขึราไป็ก็ดับใช่ไห <c oughs> มนั่นแหละเหมือนกับพื้นนี่พื้นนี่นเป็นลายไม้ไถามมันเป็นไม้หรือเปล่า มันไม่ใช่ไม้ไม้มันอยู่ที่ไหนก็ก็อยู่ที่ตัวไม้ใช่ไหมแต่เขาทําเรียนแบบไม้ใช่ไหเขาเอาไม้แบบมาแบบแบบมามาทําให้มันเป็นลายไม้แต่ไม้ไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม้ไม่ได้อยู่ที่นี่อารมณ์ที่ติดอยู่ในจิตเราอ่ะความจริงเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ร่วงไปแล้วผับไปแล้วแต่มาเกิดขึ้นอีกหลายหลายครั้งมันก็ไม่ใช่ความจริงในคราวครั้งนั้น มันก็เหมือนกับพื้นไม้เนี่ยที่มันเป็นเรียนแบบมาเป็นสัญญาความทรงจำมันไม่ใช่ความจริงมันก็จะเป็นทํางนองนี้เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องมีเราต้องมีเรื่องเราที่ร่วงไปแล้วเกิดขึ้นในใจอยู่อย่างนี้อยู่เสมอพอนมีสัญญาขันสัญญาขันทำหน้าที่ของมันก็มันทำหน้าที่จำอยู่แล้วเราจะไปไม่ให้มันไม่จาไม่ได้ หมายถึงว่าเวลาเราอมีเรื่องที่เกิดความทรงจําที่ทําให้เกิดความสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างเกิดขึ้นแล้วบางเรื่องเนี่ยที่เป็นความทุกข์ที่ทําให้เราบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรประเภทนี้เรามักจะเข้าไปห้ามหรืออยากจะดับมันถามถามว่าสิ่งที่มันเกิดมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในใจเราตอนนั้น่ะความจริงแล้วมันดับไปแล้วอยู่แล้วใช่ไหมความจริงที่มันร่วงไปแล้วมันดับอยู่แล้ว ในเมื่อความจริงมันดับไปแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราไม่ต้องไปดับมันมันก็ต้องดับอยู่แล้วไม่ต้องไปอยากดับมันก็ดับอยู่แล้วแค่เราไม่คิดต่อจากเรื่องนั้นหรือว่าใช้การทักหน่วยวิธีง่ายๆวิธีง่ายๆทักทักปุ๊บเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวปั๊บอาการเหล่านั้นก็จะดับเราก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันน่ะจิตแต่เราไม่ได้ทําให้สัญญาขันนั้นดับเพราะสัญญาขันมันต้องมีเพราะสัญญาขันเป็นตัวปัจจุบันเป็นตัวตั้งอยู่ เราก็มากําหนดรอบรููในสัญญาขันว่ามันยกเรื่องราวใดขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่สัญญาแล้วทุกเรื่องที่อยู่ในใจเราก็ล้วนใแล้วแต่เป็นสัญญาเท่งนั้นแหละทรงจํามาเท่งนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามาเข้าจิตเราจะว่างส่วนมากจิตเรามันไม่ว่างเพราะเราไปยึดถือในเรื่องราวในใจไว้ว่าใจเรามันมีเรื่องราวต่างๆนานามากๆ Tamb, ๆนัยมากมายเมันไม่สงบเข้าใจว่าอย่างนั้น แต่ที่จริงมันสงบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วใจนะใจเป็นธรรมชาติสงบอยู่ในตัวของมันอยู่นะแต่เรื่องราวหรืออารมณ์ทั้งหลายที่มันอยู่ในใจหลากหลายเนะนี่ยพวกเนี่ยเราไปเข้าใจว่าเรื่องราวเหล่าเนี้ยคือความไม่สงบการเข้าใจอย่างนั้นมันเป็นการเข้าใจผิดเรื่องราวคืออารมณ์ก็คืออารมณ์จิตก็คือจิตใช่ไหมละ่ะจิตกับอารมณ์ มันคนละส่วนกันอยู่แล้วอารมณ์ดับแต่จิตมันยังไม่ดับจิตมันยังรับรู้อยู่แต่โดยปกติจิตกับอารมณ์มันก็เกิดดับด้วยกันนะเนี่ยแต่ว่าการรับรู้ที่เราได้การได้รับรู้อยู่ในอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ดับไปการรับรู้เนี่ยมันเป็นตัวสติที่ถูกสร้างออกมาจากจิตก็หมายถึงว่าจิตรับอารมณ์แล้วเกิดตามอารมณ์แล้วก็ดับตามอารมณ์แต่มันมีธรรมชาติพิเศษอยู่อันหนึ่ง จากการฝึกสติขึ้นมาคือตัวสติเนี่ยมันจะแสดงตัวออกมาเพื่อเข้าไปรู้ทันเมื่อมีสติเกิดการรู้ทันสตินี้มาจากจิตเนี่ยมาากกันจะจิตเนี่ยพอไปรู้ทันอารมณ์อารมณ์ดับพอไปรู้อารมณ์ดับปั๊บเนี่ยสติก็จะยืนตัวในการรับรู้ในคราวครั้งต่อๆไปเมื่อสติยืนตัวในการรับรู้แต่การยืนตัวของสติไม่ใช่ยืนตัวแบบเป็นอัตตานะก็คือเกิดดับ น, นั่นแหละมันก็ ไม่เที่ยงเหมือนกันสติเนี่ยพอบางคราวเราก็ต้องเผอบางคราวเราก็ต้องผ่านแต่การเผอนั้นเผอเพื่อรู้ไม่ไม่ได้เผอเพื่อปรุงแต่งต่อหรือสืบต่อเนี่ยนี่คืออารมณ์ในจิตหรืว่าเรื่องราในจิตเพราะฉะนั้นอารมณ์มันไม่ใช่ตัวกิเลสแต่การที่เราไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์ตัวเนี้ยมันเลยก่อให้เกิดกิเลสเกิดไม่พอใจพอใจไม่พอใจขึ้นมันก็นเลยนําไปสู่การ ยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในเมื่อเราใครก็ตามเห็นสภาพการเกิดการดับได้มันจะทําลายความเห็นผิดในความเป็นตัวตนได้ตัวตนมีอยู่แต่เราจะไม่ยึดถือตัวตนอันที่มีอยู่ น, นั่นนะว่าเป็นของตนเพราะมันเป็นของเราไม่ได้เพราะโดยสัจจะทําแล้วเราจะทราบโดยแจ้งแจ้งว่าเรากับตัวธาตตัวขันหรือตัวกายกับใจเนะี่ยเป็นคนละตัวกันโดยธรรมชาติอยู่นละ้วความเป็นตัวเรามันไม่มีไม่มีในกายไม่มีในจิตนะ แต่มันมีโดยโดยภาวะหนึ่งแต่อันนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นตัวจะเรียกว่าอะไรมันมันอยู่เหนือการเรียกเราต้องเข้าไปทําลายสิ่งที่มันสร้างตัวตนให้กับเราก่อนเบื้องต้นคือสักกายทิฐิสักกายทิฏฐิที่เป็นความเห็นในการยึดถือในตัวตนในตัวกายตัวจิตนี่แค่เปลือกนอกสักกายทิฐิเป็นเปลือกนอกที่เรายึดถือในกายในจิตอยู่ พอทำลายเปลือกนอกในการยึดถือว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราได้มันก็จะเคลื่อนเข้าไปทําลายกิเลสภายในการมอราคะปฏิฆะกรรมอรหะปฏิฆะอันนี้เป็นเปลือกชั้นในเขาไปอีกเปลือกนอกแล้วก็มีในในนี้ก็คือยังไม่ใช่มเมล็ดมเมล็ดที่จะเป็นตัวเพาะก่อเกิดภพชาติเราเท่นะี่ตัวนี้มั น, มนยังมีข้างในข้างในเขาไปอีก ก็คือกรรมมาล้ครับปฏิฆะไอ้ตัวมเมล็ดที่ก่อให้เกิดพพชาติหรือเป็นตัวอัตตาที่เกิดในภพแม้จะเป็นภพบเบื้องบนก็ตามอันนั้นก็คือรูปราคาอรูปราคามานะอุเทจรวิชาเนาะเรียกว่าอัตานุทิฏฐิสัญญ์เบื้องล่างเรียกจึงได้ว่าสักายติฐิความเห็นผิดในใกายสัญญบเบื้องบนอันตัวเปลือกนี่คือสักายติฐิอันตัวเป็นมเมล็ดเนื้อในที่ก่อให้เกิดการงอกในภพชาติก็คืออัตานุทิฏฐิ ความเห็นว่าจิตเป็นตนตนเองเป็นจิตเมื่อกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราแล้วมีอะไรเข้าถึงนิพพานกายไม่ได้เป็นผู้เข้านิพพานจิตไม่ได้เป็นผู้เข้านิพพานเพราะจิตเป็นกระบวนการแห่งการเกิดการดับจัดอยู่ในส่วนสังคต ธ, ธรรม ก็ปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าอะไรเขานิพันธ์มันเป็นเรื่องแปลกๆที่ยากที่จะอธิบายเนแต่ก็เคยอธิบายให้ฟังเรื่องการเขานิพันธ์นี่เนาะเคยอธิบายให้ฟัง ทีนี้เป็นความสงสัยปัญหาที่พวกเราจะเรียนรู้ใครยังบอกว่าจิตตัวเองยังวุ่นวายอยู่แสดงว่ายังไม่เข้าใจจิตที่แท้แล้วมันไม่ได้วุ่นวายเลยอารมณ์ก็คืออารมณ์จิตก็คือจิตจิตไม่ได้วุ่นวายอารมณ์อารมณ์ถึงแม้มันจะวุ่นวายในเมื่อเราเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ใช่จิต ก็ให้ม um ันว um. ุ so thumbs thumbs ่นวายไปสีอารมณ์ใช่ไหมล่ะก็ให้อารมณ์นั้นน่ะมันวุ่นวายแต่จิตเราก็ไม่ได้วุ่นวายเพราะจิตมันไม่ใช่อารมณ์ธรรมราอารมณ์มันวุ่นวายอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีมันเป็นไปอย่างนี้อยู่แล้วมันมีความขัดแย้งในตัวของมันเพราะมันเป็นสังขารสังขารคือธรรมชาติที่ขัดแย้งในตัวของมันเองขัดแย้งยังไงเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในธรรมกางแล้วก็เสื่อมสลายเรที่สุดนี่คือความขัดแย้ง เกิดแล้วแปลปวดแล้วก็สลายตัวเกิดแล้วแปลปวดแล้วสลายตัวนี่คือความขัดแยง้งความขัดแย้งนี่เองได้ชื่อว่าทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะความทุกข์ความเดือดร้อนไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นจากอุปทานทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าไม่สบายเป็นความทุกข์อยู่ภายในอกเนี K ่ยอันนั้นมาจากอุปทานไปอุปทานในธรรมชาติเห็นความขัดแยง้งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปไปอุปทานในสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ปล่อยให้มัน ปล่อยเป็นธรรมชาติทั้งมันหมายถึงการเราการที่เรามาเห็นอารมณ์กับจิตแยกกันอารมณ์ก็เป็นส่วนอารมณ์อารมณ์เป็นเรื่องของความวุ่นวายจิตที่มารู้อารมณ์ตามความเป็นจริงมันก็ไม่วุ่นวายแต่มันรับทราบความวุ่นวายอยู่แต่มันไม่วุ่นวายตัวของมันมันเลยมีปัญญาในการที่จะจัดการความวุ่นวายได้ไวมันมาจากเหตุอะไรอย่างนี้ล่ะหนึ่งรู้จากความวุ่นวายสองรู้จักเหตุแห่งความวุ่นวายสามรู้จักการที่จะดับความวุ่นวายสี่รู้จักทางที่จะดับ พอวุ่นวายอันนั้นมันก็จะมีปัญญาแต่ถ้าเราแยกอารมณ์กับจิตไม่ออกเห็นอารมณ์กับจิตเป็นในเดียวกันเราก็จะวุ่นไวายไปตามอารมณ์เมื่อเราวุ่นไวายไปตามอารมณ์เราจะไม่มีปัญญามันจะเกิดอวิชชาคือเขาไม่รู้ครอบงาแล้วก็ถูกอารมณ์ปั่นอยู่ในจิตปั่นซะจนรู้สึกเป็นไปกับมันแล้วก็ทูกไปกับมันเป็นเวลานานข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีข้ามภพข้ามชาติเดีย๋ยวนั้น เรื่องการทําลายอาสวะในจิตนี้มันต้องอาศัยความาเพียรแล้วก็ใส่ใจในการดูแล้วก็มีสติปัญญาแยกแยะให้ออกออผู้ย่อเลยสอนให้รู้ว่าอารมณ์มันไม่ใช่กิเลสบุญวายแค่ไหนก็ไม่ใช่กิเลสหรือมันจะสร้างทุกข์มาแค่ไหนมันก็ยังไม่ใช่กิเลสก็เป็นทุกข์ทุกข์ไม่ใช่กิเลสเนะี่ยไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่กิเลสก็ไม่ต้องไปแก้มัน แต่ปัญหาคนคืออยากจะเข้าไปแก้ทาทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีปัญญาแก่แต่ก็อยากจะเข้าไปแก้แต่แท้ที่จริงแล้วมันแก้ไม่ได้มันแค่มันสั่งสมมา ไ, มได้ไหมล่ะการที่เข้าไปแก้นั่นแหละโดยเข้าใจว่าจะสามารถแก้ได้ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกคืออะไรบรรเทาบรรเทาทุกข์เมื่อเราบันเทาทุกข์ไปเรื่อยๆเราก็เข้าใจว่าเราแก้ไขทุกข์ได้ ก็บันเทาไปถึงบรรทายนะพอบรรเทาไปถึงบันตายแล้วก็เราก็ยอมรับความจริงไม่ได้เมื่อเรายอมรับความจริงไม่ได้ก็เกิดอีกก็มาบรรเทาทุกอีกเข้ามาอะไรนะชุดอันนี้มันชุดอะไรนะชุดอะไรไม่เรียบบิกบนะ๊กใบอ่ะ ชุดบิ๊กไบ่ได้บิ๊กไบ่มาเหรอเนี่ยน ะ, ะอ๋อจะไปอยู่ใช่ไหมเด็กใบรุ่นสมัยนี้มาฟังเทศก่อนแล้วค่อยไปบ <c oughs> ิ๊กไบ่เฮ่อมันได้ประโยชน์อะไรบิ๊กไบ่เนี่ย <c oughs> ลองเล่าประโยชน์ให้ฟังหน่อยที <c oughs> <c oughs> เอามวนให้เฉยนะโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้คือประโยชน์แล้วนะนสาราประโยชน์ของชีวิตแล้วเป็นความสุขแล้วมันมันจะมีความทุกข์ตามหลังนี่ไม่ได้รู้กันเนาะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีความทุกข์ตามหลังมา น, ม น, นี่แหละคนเรามันจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นความสุขอยู่ข้างหน้าขว้าเอาก่อน โดยไม่รู้ว่ามีทุกมาตามหลังหรือเปล่าเห็นอาหารอร่อยอร่อยงับเข้าไปก่อนไม่รู้ว่าข้างในมียาพิษหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องเป็นไปตามวัตถะมองชีวิตคนจะเป็นไปอย่างไรก็มองจากปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีความรู้ความเข้าใจชีวิตที่ดี อนาคตเขาจะเจอเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความทุกข์ก็ไม่น่ามีปัญหาไม่ได้น่าเป็นห่วงเพราะความรู้ในปัจจุบันนี้จะเป็นความรู้ที่จะไปดับทุกข์ในภายภาคหน้าให้กับเขาอย่างเงี้ยมาฟังเทศนะแล้วก็ไปบิ๊กใบจะเจอความทุกข์ในภายภาคหน้าก็ยังมีความรู้ในการที่จะแก้ไขทุกข์นั้นอยู่ก็ไปได้ระวังสิบล อ, อก็แล้วกัน สิบร้อนมันมองไม่เห็นใครเท่าไหร่หรอกสิบร้อนใครเป็นแก๊งหรือเปล่าหนังใครคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเพื่อนตายนะเราเองไม่ตายงันเราเฟรดไปด้วย สูบีเบกนะโอ้อย่างยยเรียนธรรมะพออธิบายไปปับ๊บจบปุ๊บถามปับ๊บก็จะตอบให้ปุ๊บถามใหม่ปับ๊บอีกตอบให้ปุ๊บอย่างนี้ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเรียนธรรมะครับพี่ามานั่งฟังอยู่ <c oughs> ก็มันหมดแล้วนะพูดถึงถ้าเข้าใจเมื่อกี้นี้ก็คือจบแล้วนะั่นน่ะนะโดยที่ความเพียรและฝุดสติเราเข้าใจเออ ก็มันนึกมันก็ย่างคายท า, า, ายมันก็อย่างยังขัดทันทีหลังแบบยังไงยังเออทันทีหลังก็ยังดี <c oughs> ทีนะ่ะเตรงนั้นเราจะไม่ทนันค่ะเราแบบมันนึกมันก็จ ะ, จะทัน <c oughs> รู้ทีหลัง <c oughs> แล้วก็การรู้ที่หลังเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ในความผิดพลาดที่ไม่ทันในครั้งก่อนเมื่อเกิดการเรียนรู้อย่างนี้สติมันจะสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพิ่มจาก ตัวของมันคือมันมีสติเท่าเดิมอ่ะนะสมมติว่าสติ 50% เกิเลสมาร้อยแน่นอนมันไม่ทัน 50% มันทันอยู่แค่50คืออาจจะสงบใจในเวลานั้นได้หรือเผลอไปได้แค่นิดหน่อยคอมรู้ทันที่หลังเพราะมันสติร้อเนี่ยมันจะค่อยแอคทีฟตัวเองขึ้นมาจาก50ก็เป็น60ก็ไม่ทันอีกในครั้งต่อไปแต่ไม่ทัน40อย่างเงี้ยมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาอีกอย่างเงี้ย อะไงไหมบอยบอยบอยบอยบอยบอยบอยปั๊บเดี๋ยวพอมันรู้ขณะเข้าทันปัจจุบันนั้นอ่ะมันก็จะรู้เองเลยปัจจุบันไม่มีทุทีหลังเนี่รู้ปัจจุบันนั้นแล้วรู้ปัจจุบันนั้นอีกทีไปอีกทีไปอีกปัจจุบันแบบทีไปอีกทีไปอีทียี่ปีอีกเรื่อยเรื่อยมันก็จะศังเกตุทิฐิขาดกระเด็นเนี่ยแหคือคือหลักการหรือเส้นทางของมันเป็นอย่างนี้ จจอมาตีปีล้วจอจอมาตีปีแล้วจอจอมาตีปีแล้วอจอมาตีีล้วจอจอมาตีปยแล้วจอจอมาตีปีแล้วจอจอมาตีปีแล้วจอจอมาตีปี้วจออมาตีปีแล้อจอมาตีปีแลจอาตีปี้วจอจอมาตีปีแล้วจอจอมาตีปีแล้วอจอมาตีปีแล้วจอจอมาตีปีแล้วจอมาตีล้วอจอมาตี้ีแ้จจอมาตล้อจอมาตีปีแ้อจอมาตีปีออมันีปีแล้วอจมาเีป้องเมาีปีวจอจอมาต้อมาเอเองรูีปีแล้เองอมา้อจอางงี้ มันแสดงว่ามันเริ่มทําหน้าที่ของมันเองนล้เพราะมันรู้ตัวว่ามันเผลอแล้วแล้วก็เลยดึงสติมาทันเองคือมันดึงเองเราก็แค่รับรู้อาการแห่งจิตที่มันทําต่ออารมณ์ทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันมันมันกลับมารับรู้ของมันเองอ่ะตัวโน้มันเนี่ยถือว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าทันเพื่อปั๊บขณะปัจจุบันนั้นดี แต่ถ้าปัจจุบันทันทีรู้ ป, ปั๊บดับพึบทีเข้าไปอีกอันนั้นดีมาก แ, ามแล้วถ้ามันแนบเข้าไปกับจิตอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอันนั้นดีบวก <c oughs> <c oughs> ดีมากบวกสองบวก <c oughs> <c oughs> เพราะอันานั้นมันใกล้เนี่ยไอ้แหนมอยู่กับกิจนะใกล้ใกล้ต่อการประหารต่อการละออ า, าตอนทางานแล้วผิวถูกเพราะเราจะใส่ใจในภายนอกแต่ถ้าเราเข้าใจภายนอกภายในเหมือนกันปรับทิศถี่ความเห็นนิดดึงว่าข้างนอกหรือข้างในก็ตามเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมด มันก็ไม่มีในไม่มีนอกมันก็ไม่มีเผอก็ข้าดุเผอตอนทำงานนะครับนี่มันจะได้มารู้อยู่นะครับนั่นแหละเขาไม่เรียกว่าเผลอเพราะมันเผออยู่แต่มันรู้ในอาการอาการที่เผอนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเผอเออเข้าใจไหมอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเผอนะใช่เขาไม่ได้เรียกว่าเผอ เขาเรียกว่ามีสติอันเผลอที่เราเผลอคือเผลอเป็นทุกข์กับมันไปแล้วนะนนเรียกว่าเผลออันนี้เผลอไปไปปั๊บแล้วก็รู้ต่อการเผลอแล้วก็เห็นการเผลออยู่แล้วยังไม่ทุกข์กับมันอันนั้นเขาไม่เรียกว่าเผลอมีสติอยู่ปียานุษ การเห็นสภาวะของการแยกธาตุแยกขันต์คือการเห็นอย่างไรครับอาจารย์ธาตุก็คือธาตุสี่ขันต์ก็คือขัน5์้าธาตุสี่มันแยกกันอยู่แล้วดินน้ำไฟลมแยกกันอยู่ทุกๆขนะอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นธาตุดินถ้าเรา ถ้าเราถูผิวหนังเราออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรหลุดออกม า, าเออขี้ของใค ร, ม, ร <laughs> มันก็จะหลุดออกมา <laughs> นั่นคือมันแยกออกมาแล้วแล้วมันแยกคือเซลล์มันตายอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะก็คือธาตุดินนี้มันหลุดอยู่ตลอดเวลาเพียง <laughs> แต่มันยังไม่ออกจากร่างกายเราแต่คือมันหลุดคือมันแยกออกมาอยู่แล้ว ถาดน้ําแยกอยู่แล้วใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ถ่ยน้ําออกไปถอุจจาระปัสาวะถาดน้ําเหล่านี้ออกไปมันก็แยกอยู่แล้วธาตุไฟความร้อนระเหยอยู่ในตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าตไฟระเหยน้ําก็ต้องระเหยออกมาด้วยนะน้ำเงือก็ยังออกมา พิษ น, นิดหน่อ ย, อย ก, ก็ยังมีน้ำออกมาด้วยมันแยกกันอยู่แล้วถ้าลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าร่างกายเราแยกกันอยู่ตลอดเวลาและร่างกายเราอยู่ด้วยการแยกเหไมมันเกิดการรวมตัวกันในเบื้องต้นแยกในท่ามกลางคือแปรปวนคือแยกก็เพื่อสลายไปในที่สุดมันแยกอยู่ทุกขณะร่างกายเรานี้นะทีนี้ เมื่อการแยกของร่างกายมันมีการแยกอยู่ทุกๆขนาดแล้วเราก็เข้าใจกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้เมื่อมันแยกกันอยู่ตลอดแปรปวนอยู่ตลอดมันไม่มีการคงตัวในตัวของมันก็พิจารณาหรือทิมแทงเข้าไปในความเห็นให้มันชัดเจนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เสมอว่าร่างกายมันแยกกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันดับไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพูดง่าย และชีวิตเราอยู่ด้วยการแยกไม่ได้อยู่ด้วยการตั้งอยู่แบบถาวร อ, อยู่ด้วยการแยกมันจึงจะเป็นไปได้การเห็นสภาวะของการแยกธาตุแยกขันอ๋อเห็นสภาวะอันที่พูดถึงยังไม่ใช่ก็เป็นสภาวะอยู่อันที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าการแยกแย ก, แยกดินน้ำไฟลมออกจากกายเรา เพราะกายเราอยู่ด้วยการแยกอะ น, นั้นก็คือสภาวะอย่างหนึ่งแต่มันมีสภาวะในในลึกๆที่เป็นสภาวะที่เห็นไม่ต้องเห็นโดยชั้นของการเห็นด้วยตาเขาเรียกว่าสัมผัสได้ด้วยปัญญานั่นก็คือเห็นร่างกายเป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนฝุ่นละอองของฝุ่นละอองที่เกาะกลุ่มกันอยู่เหมือนกับก้อนเมฆเมฆหมอกอย่างเงี้ยหมอกก็เป็นกลุ่มก้อนใช่ไหมล่ะ เมฆก็คือกลุ่มก้อนเห็นอย่างนั้นนั่นคือเห็นสภาวะกายแยกกันดินน้ำไฟลมเห็นเป็นแค่ฝุ่นละอองมันเป็นละอองของมันและหากเห็นชาดลงไปอีกในสภาวะที่ละเอียดก็จะเห็นเป็นเพียงแค่เป็นพยับแดงสภาพแห่งกายเป็นอย่างนั้นคือ มันเป็นพยัพแดดที่เป็นเปลวเป็นเปลวเป็นเปลวลองมองไกลๆเหมือนกับมีภาพสะท้อนอยู่ในนั้นแต่พอเข้าไปใกล้แล้วไม่เห็นไอ้กายลองเราเนี่ยมองตามธรรมดาด้วยสายตาของเราเนื้อเนื้อเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนแต่เมื่อสัมผัสด้วยปัญญาแล้วมันก็แค่นั้นมันเหมือนกับเปลวไฟเปลวเพลิงเปลวพยัพแดดเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือละเอียดเข้าไปอีกเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วความเป็นตัวเป็นตนของธาตุอีก ขันที่นี่ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเปรียบเทียบการมองเห็นขันนี้ยังไงดีเปรียบเทียบยังไงดีภายนอกมันเปรียบเทียบได้ยากมาก เบธานาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นโดยสภาวะคือเห็นชัดในตัวของมันตัวของขันนามขันอะไรวิรัตเอาวิรัตเป็นตัวอย่างไม่ได้นามขันเปรียบเทียบอย่าง ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแต่เห็นอยู่เห็นอยู่ในจิตที่มันไปเห็นมาไปเห็นสภาพธรรมนั้นเห็นแล้วพอจะนึกเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบได้ยากไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแม้เปรียบเทียบก็ยังไม่ตรงกับสิ่งที่ไปเห็นมาสภาะนั้นนะเป็นการเห็นสภาะท้งกายของของขันธาตุกับขัน แต่เท่าที่สอนไปการเห็นสภาวะของการแยกธาตุนั้นคือให้เห็นการแยกทางความคิดก่อนคิดใช้ความคิดของเรานี่แยกส่วนใดที่เป็นดินก็ให้เห็นกายกับเราดินกายกับดินกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันส่วนใดก็ตามที่เป็นน้ําเห็นน้ําในตัวเรากับนอกตัวเราเป็นอันเดียวกันคือให้เห็นเสมอเหมือนกัน เห็นการแยกของธาตุไฟภายในกับภายนอกเป็นในเดียวกันเห็นลมภายในกับภายนอกเป็นเดียวกันอันนี้คือการเห็นทางด้านความคิดคิดให้เห็นความคิดนี้เด่นชัดชัดเจนในความคิดก่อนความคิดนี้มันจะนำไปสู่การเห็นในภายในมันจะเกิดเป็นปัญญายาณอยู่ภายในแต่ต้องเห็นทางด้านความคิดก่อนไม่จาเป็นจะต้องไปเอาตาคล้ายๆกับว่านั่งสมาธิเห็นร่างกายแตก อย่างที่เขาเห็นกันมาอันนั้นถามว่าเห็นร่างกายแตกไหมอันนั้นก็เป็นการเห็นร่างกายแตกมีผู้ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันแต่ไปเห็นร่างกายตัวเองแตกระเบิดปูมตามออกมาอันนั้นคือเห็นแตกแต่ไม่ได้เห็นแยกแยกคือแยกเป็นส่วนแห่งธาตุดินน้ำไฟลมอันแตกคือแตกอันนั้นเป็นนิมิตนิมิตที่เกิดจากการพิจารณาแตกสลายแต่ไม่ใช่การแยกแยกคือการ แยกส่วนแห่งธาตุของของกายให้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมแยกขันคํ้ามาแยกขันหมายถึงว่าเหมือนกับน้ำแกงแกงน้ำแกงเราตักน้ำแกงสดเข้าไปเราสามารถแยกลดเค็มรดเปรี้ยวลดเผ็ดลถหวานได้ใช่ไหยแยกได้แต่เราไปแยกในน้ำแกงได้ัหมว่าอันนี้คือเกลืออันนั้นคือ อันนี้คือน้ําตาลไปแยกได้ไหมในในในน้ำแกงหนึ่งช้อนที่เราโซดเข้าไปเนี่ยเราแยกได้ไหมไม่ได้แต่เราแยกโดยรสชาติเหมือนกันเราแยกขันเนี่ยตามอาการอาการที่เรียกว่าสุกอันนี้คือเวทนาขันอาการที่เรียกว่าการจําเรียกว่าสัญญาขันอาการที่คิดเรียกว่าสังขารขันอาการที่รับรู้เรียกว่าวิญญาณขัน ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เราก็เข้าไปแยกมันอ้วยว่าในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ในจิตเราที่เกิดขึ้นขณะนี้ตอนนี้หรือตอนไหนก็ตามหากเราต้องการจะพิจารณามาันเราก็าไปแยกว่าในนั้นอ่ะมันมีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือความทรงจําหรือความคิดหรือรับรู้อะไรการที่เราทําการเข้าไปเรียนรู้และศึกษาแยกอารมณ์ในจิตหรือว่าแยกจิตแยกสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตตามอาการที่มันเกิดจะทําให้ สติเราเพิ่มพูนขึ้นไปอีกแล้วก็จะเรียนรู้เรื่องขันได้ง่ายและจะทราบการเกิดแับที่ดีตรงนี้จะเป็นการพัฒนาจิตอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าเห็นอย่างไรเห็นการแยกคือแยกทางด้านความคิดแยกขันก็แยกด้วยการใช้ความรู้สึกเข้าไปแยกคือตามอาการแห่งขันที่เราได้เรียนรู้มาคือเห็นอย่างนั้นพอแยกมากเข้ามันก็จะเกิดการเห็นเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นสัญญาเป็นสัญญาเห็นสังขารเป็นสังขารเห็นวิญญาณเป็นวิญญาณเพราะมีเวทนา เกิดขึ้นอย่างนี้สัญญาจึงทรงจําอย่างนี้สังขารจึงคิดอย่างนี้วิญญาณจึงรับรู้อย่างนี้อย่างเงี้ยหากไม่มีเวทนาสัญญาก็ไม si eh ่มีทรงจําสังขารก็ไม่ได้คิดในตามส่วนของเวทนาวิญญาณก็ไม่ได้รับรู้ตามส่วนของเวทนานั้นมันมันก็เห็นและทําความเข้าใจโดยการกําหนดหมายจากกําหนดหมายอย่างนี้ไว้อยู่เรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยเรื่อย เราจะเห็นสภาพกายกับสภาพจิตแยกกันอยู่ตลอดเวลากายแยกเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมจิตแยกเป็นนามสเวท น, นาชัญญา้นยะั้นขันวิญญาณอยู่ตลอดเวลาและเห็นการทํางานของมันโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นอย่างนั้นมากเข้ามาเข้ามาเข้าเร า, าะจะเกิดวิปัสนาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ชี้ชัดลงไปด้วยญาณทัศนะของเราที่ประจักษ์ชัดในตัวเราที่ไม่สามารถคัดค้านในตัวเองได้เรียกว่ายอมรับในความเป็นจริงที่มันเป็น อันนั้นมันก็จะเกิดอนุโลมญาณขึ้นคือคอยตามอริยสัจโกลไกลกระบวนการของระบบกายกับระบบจิตทํางานร่วมกันอย่างนี้ความทุกข์เพราะเกิดขึ้นเพราะอํานาจแห่งความขัดแย้งในตัวของมันเองตัวของมันก็ขัดแย้งในตัวของมันกายก็ขัดแย้งในตัวของมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในทําการเสื่อมสิ้นไปที่สุดเวทนาก็ขัดแย้งในตัวของมันเองให้สุบในเบื้องต้นสลายแปรปวนไปในทําการและสลายไปทีที่สุด ให้ทุกในเบื้องต้นแปรปวนในท่ามกลางก็สลายไปนี้ที่สุดก็ขัดแย้งในตัวของมันเองสัญญาความทรงจําก็ไหนว่ามันจําได้ไม่เห็นมันจําได้ไปตลอดใช่ไหมละ่ะก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นเสื่อมสลายเอ้ขัดแย้งในท่ามกลางก็แปรปวนในท่ามกลางก็เสื่อมสลายไปนี้ที่สุดความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับไปขัดแย้งกันเองด้วยความคิดบางความคิดขัดแย้งกันก็มีเกิดขึ้นเป็นความคิดขึ้นมา ความคิดที่ดีเกิดขึ้นก็แปรปวนในท่ามกลางก็เสื่อมสลายไปที่สุดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็แปรปวนในท่ามกลางเสื่อมสลายไปที่สุดมันก็แค่นี้นขัดแย้งในตัวของมันเองวิญญาณการรับรู้มันรับรู้เรื่องที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นขัดแยง้งหรือเสื่อมสลายก็เป็นอย่างนงี้ไปตลอดเห็นสภ า, ภาพเห่งการแย่ๆได้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไปตลอดของระบบกายระบบจิต มันเขาก็ไปแค่ระบบหนึ่งมันคอยตามมริยาศักดิ์อ้อทุกอันนี้คือทุกเหตุคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพอเราไม่รู้จึงเขาไปยึดมั่นถือมั่นความดับไปคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกเห็นระบบมันตามความเป็นจริงของมันดีก็ให้มันดีไม่ดีก็ให้มันไม่ดีเพราะอันนั้นเป็นแค่สภาวะที่มันเข้ามาสัมผัสตามเหตุปัจจัยคำามาเหตุปัจจัยเนี่ยมันสําคัญมากนะเหตุปัจจั ย, ยพอเราทราบเหตุปัจจัยเราจึงไม่สามารถกําหนดหมายอะไรได้เลยทั้งปวง แต่ถ้าเราไม่ทราบเหตุปัจจัยเราจะเข้าไปกําหนดทุกอย่างเลยให้เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถกําหนดให้ชีวิตไปไปตามที่เราต้องการได้แต่เราเพียงแค่กําหนดชีวิตให้ไปไปตามเหตุปัจจัยที่มันเป็นได้ใช่ไหมอย่างเช่นเอา้าทำไมถึงมาทํางานสายก็คิดดูว่าก่อนที่จะไปถึงที่ทํางานชีวิตเราต้องผ่านอะไรบ้างกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมา แล้วเวลามีเท่าไหร่เราบางทีเราก็ออกบ้านเวลาเดิมแต่ทำไมบนท้องถนนมันมั น, ม, น, ม, น, ม, น ม, มันมีเหตุการณ์เดิมตลอดเวลาไม่ล่ะเห็นไหมละ่ะบนท้องถนนอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในระหว่างนั้นที่ทำให้เราล่าช้าหรื อ, อ, อมีอะไรที่มันขัดแย้งเป็นอุปสรรคขัดขวา ง, างนเพราะนั้นเหตุปัจจัยจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเราจึงไม่สามารถกำหนดหมายอะไรได้ ว่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่ากำหนดหม้อะไรไม่ได้แล้วไม่กำหนดเลยก็ผิดอีกกำหนดแต่ต้องกำหนดแล้วต้องเข้าใจในการที่มันเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้ได้ว่ามันขึ้นกับเหตุปัจจัยบา mm hmm. งคนตื่นสายตื่นสายแต่เร่งรีบให้ให้ไปทันเวลาก็ให้ทันบางคนตื่นแต่เช้าแต่ไม่ได้เร่งรีบก็ไปสายเหมือนกันเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ าการกำหนดหมายว่าจะต้องตื่นเร็วตื่นช้าอยู่ที่เหตุปัจจัยนั้นมันคืออะไรเหตุปัจจัยถ้าคนเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตนี่คนคนนั้นจะไม่ค่อยทุกข์หรือไม่ไม่ทุกเลยมันเป็นมันมีเหตุปัจจัยของมันทุกอย่างของชีวิตมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องกำหนดซึ่งเราไม่สามารถกำหนดได้แต่เราสามารถวางวางชีวิตได้ บ่าเราจะกำหนดชีวิตให้เราเป็นไปอย่างไรแต่พอไปไปตามเหตุเห็นความจริงแล้วมันก็ต้องขึ้นกับเหตุปัจจัยทั้งปวงอย่างเงี้ยอย่างเช่นดอยอยากจะมาวัดมันขึ้นมาที่ดอย mm hmm. บอกฝนตกมาไม่ได้หรอกอันนี้เหตุปัจจัยหนึ่งนะแต่ถ้าฝนไม่ตกก็มาได้อไอเนี้ยคือเหตุปัจจัยหนึ่งดันั้นแล้วก็ก็เข้าใจเหตุปัจจัยอย่างเงี้ย mm hmm. ชีวิตเราเองก็เหมือนกันมันก็ขึ้นกับเหตุปัจจนะัยจะสําเร็จล้มเหลวดีไม่ดีจะ บรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยที่จะอานวยผลว่าเราได้ทําเหตุปัจจัยให้ถูกต้องตรงกับสิ่งที่เราจะได้ได้รับเดอได้เป็นไหมบางคนสร้างเหตุปัจจัยในลัน่นการหนุนจิตมาจิตก็ถูกหนุนด้วยบุญกุศลได้ง่ายไปรับรู้รับทราบธรรมะได้ง่ายบางคนสร้างเหตุปัจจัยขั้นการตัดรอนมาพอจะรู้มันก็ไม่รู้มีเหตุตัดรอนอยู่เรื่อยมีเรื่อง กวนใจอยู่เรื่อยสติพอที่จะตั้งมั่นก็ไม่ได้ตั้งแต่ถ้าใครฝึกฝนอยู่ตลอดเวลามันจะอยู่เหนือเหตุปัจจัยแล้วสติก็จะอยู่เหนือเหตุปัจจัยใครฝึกฝนจิตอยู่ได้ตลอดเวลานะสติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจะอยู่เหนือเหตุปัจจัยเหนือการเกิดการดับเหนืออิทธิพลของสิ่งที่มันเป็นเครื่องเชื่อมโยงเข้ามาสู่วิถีแห่งชีวิตของเราขันห่านเพิ่งมันเคยเป็นไปตามระบบมันมีเหตุเชื่อมเข้ามาเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมวิบากเรื่องของ บุญกุศลหรือเรื่องที่มันจะคอยขัดขวางต่างๆนาๆนาเหตุปัจจัยพวกนี้มันจะแทรกเข้ามาได้อยู่ตลอดเวลาภายในชีวิตของเราแต่สติปัญญาที่ถูกฝึกมาดีแล้วจะอยู่เหนือเหตุปัจจัยหมายถึงว่ามันสามารถที่จะ ย, ย, ยกจิตออกจากผลที่จะดึงเราให้ไปติดอยู่ห้องอยู่ในขันมันก็ไม่ยึดติด จึงเป็นสิ่งสติปัญญานีนจึงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือบุ ญ, บญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วเหนือสุขเหนือทุกข์สุขทุกข์ดีชั่วบุญบาปให้เป็นภาระและเป็นเรื่องของท่าส<ๆ>ี่ขันห้าไปเพราะนั้นคือหน้าที่ของมันโดยตรงเพราะความทุกข์ต้องแสดงขึ้นที่จิตความสุขต้องแสดงขึ้นที่กลยกับจิตมันมันเป็นหน้าที่ของมันอยู่แล้วจะวุ่นวายแค่ไหนก็เป็นหน้าที่ของท่าสี่ขันห้าสติปัญญาเรามันมันมีความรู้ความฉลาดแล้วมันจะอยู่เหนือเหนือท่าสี่ขันห้า ไม่เป็นไปตามอาการพอสติปัญญาหน้าที่ของสติปัญญาคือรู้แล้วลนะ่ะหน้าที่ของธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, 5, ต้องแสดงทุกข์ต้องมีทุกข์เป็นธรรมชาติจะวุ่นวายแค่ไหนก็ก็ถูกธรรมชาติที่เป็นเป็นแต่สติปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วเวลาเราละชีวิตไปมันจะดึงเราออกจากวงจรแห่งความทุกข์คือระบบของธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, 5, จะไม่สืบต่อตัอตวเนี้ยนี่คือส่วนสําคัญพโสดาบันแม้ จะไม่สืบต่อในภพที่แปดแต่ยังยังสืบต่อไปในเกศภพสากาธาคารมีจะไม่สืบต่อในภพที่สองกระบวนการแห่งความทุกข์ในขันเนี่ยจะไม่สืบต่อในภพที่สองก็สืบต่อแค่หนึ่งภพ บ, บนเทวโลกหรือมนุษย์โลกก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอนาคามีจะไม่สืบต่อในกามโลกจะสืบต่ออยู่ในรูปประพรมสุทาวาสห้า กระบวนการแห่งความทุกข์สืบต่อไปได้ถ้าอหารหันต์ไม่สืบต่อในที่ไหนไห น, นั่นแสดงว่าสติปัญญานี่ที่รู้ชัดเจนแล้วมันจะละละอะไรละภพละชาติละการเกิดในภพแล้วก็ละความทุกข์ได้จนถึงการหมดสิ้นไปตามกำลังแห่งจิบที่ฝึกสติปัญญาขึ้นมาพอเข้าใจแล้วนะ พอใจดีแล้วก็ก็ปฏิบัติยากไหมธรรมะของพทยายากยากมันก็ไม่ง่ายถูกต้องมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายถ้าใครเข้าใจมันจะเป็นอย่างงั้นเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ยากและเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเราควรจะทำยังไงถูกต้อง คำว่าไม่ยากหมายถึงว่าไม่เหลือวิสัยคำว่าไม่ง่ายหมายถึงว่าไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆยเลยข้อความ <c oughs> เพียร <c oughs> ถ, ถูกต้อ ง, งจับประเด็นถูกแล้วความเพียรพระเจ้าจึงสรรเสริญเรื่องความเพียรแล้วความเพียรที่เราควรจะทำอันดับแรกคืออะไรขันตีปะระบังตะโปตีติขาขันตีอดทนอย่างยิ่งคือตะบะคือตะบะอย่างยิ่งนั่นคือความเพียรอันดับแรกที่เราต้องทาคือฝึกอดทน ทำไมต้องอดทนก็มันมีทุกข์ก็มันมีเหตุให้เกิดทุกข์ในเวลาก็อดทนไปอดทนไปมันก็จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั่นคือต บ, บะในทางพุทธศาสนาอันดับแรกเพราะนั้นเราต้องตั้งไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาอดทนไปใช่มีสติรับรู้รับทราบไม่ใชม่มันเป็นความวุ่นวายอยู่แล้วเรื่องของอารมณ์เราต้องอดทนกับมัน เดี๋ยวองค์ธรรมอื่นๆจะเกิดขึ้นมาเองจเจริอนองอกงามขึ้นไปเองยั ง, งยอมริษอดทนต่อไปอาจารย์ท่านนิสกีนี่มันมเลยปั๊บเหตุปัาจจัยเลยนะครับได้อันนั้นคือความฉลาดในการที่จะสร้างเหตุปัจจัยใหม่ขึ้นมาเพื่อกั้นเหตุปัจจัยเก่าได้หากปารธนาจะสร้าง มีสติราเชื่ว่าทุกมันอยลงก็ถูกทุกมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกมันน้อยลงมันือเมื่อไรจะหมดมันเหมือนจะไปปรับเหปัจจัยครับเรัส่วนมากจะปรับที่ความเห็นเราเองครับใช่หมเหตุปัจจัยมันก็มีอยู่เหมือนเดิมนหละครับของชีวิตใช่หมล่ะมันก็มีสุขมีทุกมีไม่สุขมีทุกมันมันก็มีอย่างเงี้ยชีวิตแต่ว่าเราไม่เอาอะไรกับสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในชีวิต พอเราปรับความเห็นของเราแล้ว <laughs> แต่เหตุปัจจัยของชีวิตที่มันต้องสูบเจอสูบเจอทุกมันต้องเจอนั่ม่ได้แต่แต่ตัวเราไม่มด <laughs> มันเกิดมดแต่มันเบาบางก็ต้องเบาบางแล้วปฏิบัติก็เริ่มจากการเบาบางีอย่างก็หมดหมดเมื่อไหร่ก็ขึ้นนอยเกียงหอบหองขึ้นไปไป <c oughs> มิตอาจารย์แบบมีคนก็ถามว่าอย่างที่ดอสมีแฟนถูกใจแฟนเขาไหมเราก็บอกเออไม่รู้สิเราไม่ไปยึดติดกับตรงนั้นว่าเราจะต้องไปชอบเขาหรือว่าไม่ชอบเขาอะไรอย่างนี้มันมันมันดีก็ดีเราก็มองว่าเออในชีวิตเป็นของเขาเขาเลือกแล้วถ้าเขาสุขก็สุขของเขาถ้าเขาทุกข์ก็ทุกข์ของเขา เราไม่เอาอารมณ์ไปปูกกับพฤติกรรมเขาหรือว่าเวงกรรมของเขาอะไรอก็ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ดีอ๋อและพอเราบอกอย่างงี้บงก็บอกเหมือนไม่ชอบก็ไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ชอบไอ้พวกพูดมันชอบตัดสินคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดทั้งๆงที่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้บอกอะไรแค่ไหนแต่บอกว่าเราไม่ได้อาลุ่มไปติดอยู่ตรงนั้นว่าจะไปชอบเพราะคนทั่วไปมันจะติดอยู่ในข้างข้างสองข้างข้างชอบข้างไม่ชอบอย่างเนี้ย มันไปติดอยู่ข้างเนี้ยอําะไรไม่รู้จักเขาความเป็นกลางเออพอเราบอกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเขาก็บอกหงดเหมือนไม่ชอบแล้วบอกอมันไม่เกี่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่บอกว่าไปตั้งความรู้สึกกับเขาว่าจะชอบหรือไม่ชอบอืมรถึงแม้วเขาจะไอ้นี่เนาะเราถือว่าเป็นก็มันเป็นธรรมชาติของใครของมัน เราก็มองว่าเป็นชืิอของเขาเพราะก็ททำบุญร่วมกันมาเ็าจึงได้พอใจกันแล้วกันถ้าไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็จะไปพอใจกันแล้วกันก็ไม่ได้อย่างเราบอกเราชอบแล้วกิดเขาไม่ชอบถ้าเขาชอบแล้วเราไม่ชอบเขาจะฟังเราหรือเปล่าใช่เขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีใช่ไหจารทุกเดี๋ยวก็ทุกใจเรา อารมณ์เราออกมาจากเขาไม่ต้องไปผูกว่าดีนะนี่แหละคือคนฉลาดเชื่อไมคนฉลาดจะเป็นอย่างเงียมีปัญญาอ๋ออาข้าลูกเราลูกบอกเอาลูกเราถ้าไ ป, ไปตั้งค่าชอบไม่ชอบขึ้นมาปั๊บก็เราก็จะไปอยู่ในวงจรของเหตุปัจจัยของเขาแล้วทีนี้นอะตัวนั้นก็เป็นเหตุ ป, ปัจจัยเป็นอิทธิพลภายในชีวิตแล้วจะสุขไม่ทุกข์หรือหรือยังไงก็ขึ้นกับคนอื่นแล้วเราไม่สามารถกําหนดชีวิตเราได้เลยเหตุปัจจัยกําหนดเราหมดเลย นม่ไงล่ะไปทุกพคนนั้นไปทุกพ่อคนนี้อย่างเราคิดถูกลูกก็ไม่ใช่ของเราะอืไอย่งเี้ชีวิก็เป็นของเขาเป็นของเขาถูก่ารไม่รู้คิดถูก่แต่เราไม่ได้ทิ้งหน้าที่ไม่ได้ทิ้งนะเา้มีความทุกข์มานี่คือปัญญาบาคนบอกว่าเอ๊ะอะไรไม่ใช่ลูกของเราอะไรคิดอะไรอย่างเงี้ยงั้นาว่าเนี้ย แต่เขาไม่เข้าใจคําว่าปัญญาปัญญานั้นหมายถึงว่าเรายังรู้อยู่เนี่ยว่าเป็นลูกแต่โดยปัญญามันไม่ใช่ลูกจริงนะแต่มากเกษตรเรื่องนี้เดี๋ยวตอนรู้ใหม่ๆเทศให้พ่อให้แม่ฟังอยาิให้พี่ให้น้องฟังไม่มีใครเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันหรอกอยู่นี่ๆไม่มีใครเป็นอะไรกันทั้งสิน้นทุกคนเป็นเพียงแค่ธาต ธาตุนั่งอยู่นี่ก็ธาตุดินน้ำไฟลมนั่งกองกันอยู่นี่ดินน้ำไฟลมมานั่งกองกันอยู่ไม่มีใครเป็นอะไรอย่าไปสําคัญมั่นหมายในความเป็นไม่มีพ่อไม่มีแพร่แม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องหรอกฟังกันไม่รู้เรื่องตอนนนั้อะไรวะลูกเราพูดอะไรอ่แม่ว่าใครเข้าใจไม่ไม่มีได้ยังไงก็พ่อแม่พี่น้องก็มีกัน คือเรารู้โดยสมมุติอยู่แล้วนะ <K _ AI> คือสมมุติเราก็รู้ไม่ใช่เร า, เราไม่รู้แต่เราเราพูดในชั้นธรรมะให้เขาฟัง<_ <A> _ <AI> แต่เขาฟังธรรมะไม่ออกเขายังติดยอยู่ภายในสมมุติอยู่ถ้ายังไม่ลบสมมุติแล้มาฟังธรรมะ ก, ก็จะไม่เข้าใจง่ายๆเพราะธรรมะของพระเจ้าเป็นชั้นของการขัดเกลอกิเลสหรือว่โาโลภุตรธรรมไม่ใช่โลกิยะโลกิยารรก็มีพี่มีน้องอันเนี้ยเข้าใจอยู่แล้วแต่ก็ต้องการจะฟังธรรมแล้วก็พูดธรรมะให้ฟังในส่วนนี้เนาะพอเราพูดธรรมะให้ฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่อง เขาบอกไม่ใช่ได้ยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เป็นลูกเป็นหลานตอนนั้นก็วางแผนเนี่ยให้ธรรมมาไปโรงพยาบาลจิตเวชมั้งก็แค่ก็สับสนเนี่ยพอเราพูดออกไปอย่างนี้เขาก็มองเราแบบว่าเราอย่าไปสนกับคนมองเราอธิบายให้เข้าใจเลยแม่ลายเีลย ตัวเหตุหแม่ลอบอกไม่้ใจไม่ได้ไม้ไทํยางน้มาไม่รู้มาไม่รู้เรื่องเลยนะถ้ามาไม่รู้เรื่อง่าเขาวางแฝนเดี๋ยวธรรมาไปโรงพยาบาลจะค่อยๆร่อจะค่อยๆล่อรมะไปหาว่าเพี้ยนแล้วปฏิบัติหนักเกินไปมองคนไม่เป็นคนเป็นดินน้ำไฟลมหมด อเอาจริงๆนี่เด็กเขามาลองให้ฟังทีหลังพี่สาวมาลองให้ฟังคุยกับพี่สาวคุยกับน้องสาวคุยเลยจะล่อให้ตามาเป็นโตรจรักษาโรคจะพาไปหาหมอจิตเวช<ต><ต><ต>แล้วแถมไปบอกคนอื่นว่าอย่ามาฟังอาตามากนี่นี่ลูกชันเองนะก่อนเวลา ก็ว่าเราคิด แ, แปลกๆอะไรอย่างนี้นก็แปลก เ, เป็นสิ่งที่แปลก แ, แต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องแปลก<ป><ป>อย่างนี้ขึ้นมาเราก็คิดอยู่ในแค่วงบนของความคิดที่เราเคยคิดมันไม่ใช่ความคิดใหม่ไม่ใช่ความรู้ใหม่แล้วก็ติดอยู่ในความคิดเดิมๆเกา่าๆต้องรักคนนั้นต้องชอบคนนี้ต้องพอใจคนนี้ไม่พอใจคนนี้ไอ้ปัญหาของโลกก็เป็นอย่างนี้แหละแม่ยายไม่ถูกกับลูกสะใภ้อย่างเงี้ยลูกเขยไม่ถูกกับพ่อตาก็เป็นอย่างนี้แหละถูกใจกันไม่ถูกใจกันอยู่อย่างงี้ ใช่ไหมล่ะให้เราวางใจกันเป็นกลางไม่ได้หรือเขาบอกพอเราวางใจเป็นกลางเขบอกว่าเราแปลกอย่างเงี้ยก็เรื่องของเขาเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะสุขเขาทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวของเขาเองใช่ไหมล่ะเราเอาตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวทําไมถ้าเราตัวเราไปยุ่งเกี่ยวกับสุขทุกข์ที่เขาเป็นแล้วก็เป็นทุกข์เป็นสุขตามเขาแล้วก็ก็ทุกข์กันเปล่าๆนะตัวเขาก็ทุกข์พอกับเขาพอแล้วแล้วยังให้เราไปทุกข์เพิ่มไปอีกทําไมไปเพิ่มความทุกข์ให้กันแล้วกันทําไมนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยคือคนเขาไม่เข้าใจ คนทั่วไปก็ไม่ค่อยใจหรอกคนส่วนมากคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะยใจฟังไม่ได้แก็ไม่อใจเราก็รู้แต่ว่าเราคิดเคใจน่คิดถูกแล้ววางใจวิถูกแล้วเราก็อธิบายไม่ถูกก็บอกอะไรคิดอะไราถามเราหลายๆคนชอบไหมชอบว่าที่รูกสบาไมบอกไม่รู้สิไม่เคยคิดว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร อ, อะไรอย่างเงี้ยราองมันไม่รู้สว่าไม่แขกใส่ใจนะอะไรอย่นนางเงี้ยอธิบายไม่ถูกอยเงี้ยเราก็เลันเนนะสะสมแต่เราที่าที่ถูกหรืที่ผิดเราล้มั้งทีนี้เนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเราสมควรแก่เวลาแล้วขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนทุกคนในธรรมะวลนิดวนละหนก็ยังดี <S 2> <S 2> ดีกว่าได้ไปเยอะๆแล้วไม่รู้เรื่อง